ตาธรรมนะปิปักปฏิธรรมกันเถอะอั น, นีทางตามธรรมตา ม, มได้ไหนชีวิตเราก็จะไปสู่จุดหมายหลายทางจากความเป็นคนเป็นมนุษย์จากความมนุษย์เป็นพระ สูงตามรดับจนเป็นพระอรหารได้ ม, มีทางอยู่รือ <c oughs> ว่าอะไรถ้ามีทางที่จะไปสู่ที่นั่นถ้าวูดที่อยไปประสง์จะไปสู่จุดหมายบาทางที่นั่นก็ต้องเดินตามแผนที่ตามทางนั่นไปก็ถึงแน่นอนค่ะทอ ก็หยบเดินไปพระธรรมทำนี่ไหนพำปฏธเจ้าตัดไว้ดีแล้วง่ายแล้วสะดวกแล้วสมหรับพูดที่จะปฏิบัติตามทานี้ไหนแล้วทำได้ทุกคนให้ผลได้ ตามทุกควเจอผู้ที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยขนาดพูดเจ้านี่สมัยเป็นเช้าผ้าชานในเล่าเรียนถึงหลายศาสตร์ตามตำราว่า 16-17 ศาสตร์จบมาในการศึกษาของโลกไม่ใช่ สามัญชนเท่าไหร่ปุถุชนเท่าไหร่เป็นผู้มีสติปัญญาศึกษาแลายก็จบได้นั่นก็เป็นส่วนของโลกโลกระเศษศาสตร์นรตศาสตร์วิยาาทยศาสตร์ต่างๆ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 ว่าเป็นความสะดวกลองสัมบัติดูเรืนความรู้สึกตัวเนี่ยมันสะดวกความรู้สึกตัวปาวาระในกายภายในใจว่าจะอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหนขานที่เรามีคาวามรู้สึกตัวอยู่นี่เป็นความหลงมันไม่สะดวก เมื่เราเดินตามทางเมื่อมันหลงเหมือนกับออกจากทางไปเป็นโลกเป็นโผงไม่สะดวกกลับมาสู่ทางมาลู้ที่ใดก็สะดวกทุกทีทุกครั้งสำหรับผู้ทีทดด่สมผัสกับการเดินกับถนนหน้นทางทางที่มันอยู่ภายในใจเรานี่ยชีวิตเราจะเดินเมืองผิ ด, ผด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 เ, เงินมีทองก็ซื้อมาสูบมันดื่มคนที่โกรธก็เห็นว่ามันดีเพราะมันไม่เคยเห็นทางเ็าปฏิบัติตามตามโกรดจนสำเร็จทุกครั้งที่มันโกรดเวลาบรรลุก็พอใจในความทุกข์ ยินดีในความทุกข์ในความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามปีนิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์เพราะเหมือนเคยคิดทางนั้นเหมือนกับวินิจฉาคนหนึ่งมีเพื่อนที่เป็นพาะ อ, อยู่นี่อยู่สุปรตูเนี่ย ยาติเพื่อนๆเคยรู้จักก่อนแล้วเขาก็เคยมาหวดแม่ชีที่วัดป่าชุขตโตเสกไปทางฟ้านให้เสกไปช่วยงานก้าไปใชวชีวิตที่บภาพเครียดยึดเป็นคนซึมเศร้า รู้หน้ารู้ตาคือจะบ่ซึมเศร้ามากก็ออวยพระท่านติต่อมาจะได้คิดจะจะช่วยลองดูคิดว่ามันช่วยได้ไม่ใช่คิดว่ามันช่วยได้ก็ต้องช่วยได้จริงๆถ้าเชื่อกัน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 นี่หรือว่ามันเคยคิดครับจังเลาก็เป็นอย่างนั้นตายของเราใจของเรานี่แต่ถ้าเร า, าหัดมีสติด้วยถวนต้องทีแรกก็ต้องทวนกระแสสิ่งที่เหมันเคยผ่านมาหลายหลายอย่างเคยใช้ชีวิตแบบไหนเป็นโทาจาสริดก็โทชาสลิด แสงหน้แสงหลังโมหะจะหลิดหาค่าจะหลุดเกิดขึ้นเป็นนิสัยอันละหนานักอินทางฉุงจิงมแล้วปฏิบัติแล้วมีสติมันก็คู่แขิงก็ว่าได้็นคู่แขิง เพื่อจะต้องเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเราเป็นทำที่เป็นคู่เขิงเป็นเครื่องมือที่ไหลกลับมาลู่จิกตัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทําได้ทุกครั้งทําได้ทุกครังส่วนที่ทําได้ทุกครั้งในสิ่งที่มันดีมันถูกต้องแล้วก็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 หัดให้เหมือนชนได้ชนะทุกครั้งเพราะไม่ต้องเไยชนกับที่เหมือนเสมอก็จับดูน้ำหนักจับดูตัวของก่อยให้เป็นผมน้วยกวัวไก่ชนของเขาเขาหัดถ้าไปชนสิบครั้งยีสิบครั้งชนะทุกครั้งพอเขาหัดได้มันเชาทุกครั้งไก่เขาก็เป็นไก่ที่เป็น นักไก่ชนที่ไม่ยอมแพ้ที่ไหที่นั่นะนะทุกทีก็ไปลงสนามก็กลายเป็นไก่ชนที่มีประจบการณ์มีบทเรียนไม่ยอมแพ้ด้วยความหมาบันด้วยความต่อสู้ด้วยความเพียนด้วยไม่กลัวเจ็บโอ้ชนะทุกทีกลายเป็นไก่ชนที่มีค่ามีราคามาเชีงก็เหมือนกั น, กน มาแข่งกับมาที่มีผีเท่าไม่ดีแข่งที่ใดชนะที่นั่นก็ชื่อเชียร์มันให้พหุ่งพลุ่ยรูปหน้ารูปต่อแต่เมื่อแต่งตัวแล้วก็ย่ำโถลอาฮะที่าดเดลาได้ยินเสียงลูกเวทที่ใดมันก็ย้อ น, ยน อ, ยอนขนึ้นนกตีบอกมันชนะ ยินเสียงลูกเวทเหยืออันไปเระ่อยๆกโดดโลดเต้นอยากจะวิ่งอยากจะวิ่งเอาหันหัทใจนั้นเคยเห็นแต่ก่อนอยู่บ้านเก่ า, ก า, า, ากบ้านเก่ากานเดินขึ้นไปบ้านใครมาเชียงแต่ไม่มีได้ยินเสียงลูกเวทก็เฉยๆนี่คือหัด สอบดื้อชามช่างอรมากตังขานนี่เราปฏิบัติธรรมนี่ให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสตัติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเป็นพลังสนับสนุนในการทําความเพียรอย่าดุ้นดุ้นดุ้นโดนทำความเพียรโ ด, ด, ด, ด, ด, ค ย, ดยความขี้เกียจขี้ค้าน ในสติด้วยความไม่ขย่นไม่พอใจจิตหน้าซิสหลังว่าบุญเรื่องนัง้นว่าบุญเรื่องนีง้ยืด ด, ดอดยืดยาดมันจะหัดตัวเองไม่ดีต้องให้มีความพร้อมว่าสมควรในการที่จะเดินทางในการที่จะไปทางไหนเอาจารย์สมวันที่เดินทางจากเชียงใหม่ถึงภาคใต้ มันมีความความที่ต้องเดินยังไงก็ต้องเดินไม่พบเงินกบอดถ้าไม่ถ้าไม่มีให้ใคให้ยืมก็จะไม่ยืมจะไม่อ้าปากขอใครเดี๋ยวน้ก็ไม่ต้องขอใครพองได้เจ๊กินนที่ไหนก็เติมินไ ก็ไม่ตายนีคน <c oughs> เห็นคนชั่วยอยู่จังววาจะเดินจะเดินทำลองที่จะเดินมม่มีอะไรที่จะทำให้สนดสูงก่อนเดินในข่วาวเดียวกันเยอะแยะไปเลยมีทัาปฏิบัติธรรมแท้มันง่ายกว่าทุกอย่าง หนึ่งเหล่าธรรมชาตินักบวชพราชาสาวพัฒน์สัมยาดามิดพระภิกษุแม่ชีภิกษุนีอุบาสิกาอุบาสกุธรรมชาติต่อม้ย่านอกวันหนย่รอบตัวเรา อากาศก็ดีรยากาศดีีพวกเราก็มีเป็นมีเป็นเพื่อนดีๆการความอยู่ด้วยกันอาหารบิณฑบ า, บาดก็พอดีพอดีไันไดเดือดร้อน บ, บางอาจารย์มวนเดินทาง ก็ยังถึงจุดหมายปลาทานได้เป็นแนวร่วมที่เกิดกับเราปฏิบัติเยอะแยะเลยแลวอีกธรรมวิ น, นัยที่เหมือนถูกท่องที่จัดไว้ดีเยอะแยะเป็นเครื่องมือมีนิมิติมองถึงได้ทินพระพุทธเจา้า อุบาอาจารย์จะมาถึงรุ่นพวกเรานี่ยเห็นไหนคุณอาจารย์ผู้อสอนเช่นหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อเทียนก็เห็นอยู่นี่แม่หลาสวนมนต์ไหว้พระนี่เผออกมาจากภาษาบาลีคือเจ้าคุณพุทธทาสมันก็สะดวกหลายอย่าง ทำสอนพระเจ้าเมื่อให้มัเป็นภาษาของเราภาษาไทยเหมาะสำหรับต่บางวัดเจ้าทรวนเย็นสําหรับให้สังคักกรรมจิตกรรมของเราที่เป็นนักบวชหล่อหลอมเราทำไว้ไหนก็หล่อหลอมเราช่วยเราอยู่ดีเว้นความสะดวกในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำไว้ไหนมากที่สุดเลย เหนือไม่ไหลใครไม่ย่อยไม่ได้หลังสู่ฝ้าหน้าสู่ดินเขหน้าเขาหลังสู่ฝ้าหน้าเช็นกำแดดกำฝนเขายังทำงานอยู่กลางแดด ก, กลางขนเป็นเดือนเป็นปีเลยเข้าเลยหวงเหงนืออยู่เหมือจริงนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ เรจิธาจะไม่เป็นนักบวดก็ได้หัวเรีศึกษาหลายรูปแบบตั้งมาหกปีเนะี่ยมาขนาดถึงปัญญาชนขนาดถึงเรียนมา17ศาสตร์เห็นทุกที่ทุกนง่ทุกหงมตามที่ได้เรียนได้สัมผัสได้มีผู้สอนปฏิบัติตาม ถ้งูคงไม่มาถึงพุระเจ้าอยู่กับอาจารย์ตรการตะบทอะาทะบทที่เล่งกับเพียงพอหรือครูท้องหกูกูกับใจนะสนสัยวิริตระบุทีกะกํรมพาทิกะเจกรมพนมัคคิโคสอนนี่ล่วนแต่เป็นครูที่ดังๆสมัยนั้น ยังเอามาอยู่เดมนคือผู้เผ้ผวหมิ่เป็นเารอแสดงว่าแหลมขมบ่จงควรพวรจะมาถึงธรรมวินัยเนี่ยแบกมาเท่าไหร่ยังหกปีเลยมีความขยนนขัยนอดทนแค่ไหนจึงสบายสำหรับพวกเราผู้ที่อยู่เป็นสุดท้ายภายหลังได้เห็นได้สมบัติได้ไม่ได้ยุ่งได้ยาก เหมือนกิดประกอบไปได้เลยไม่ต้องใช้หัวคิดปัญญาอาะไไม่เกี่ยวกับเพศก็ไหว <c oughs> ใดๆไม่เกี่ยวกับชีวิตขนาดไหนหนมแย่ยงเหมาะที่สุดที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรมธรรมวิไนเนี่ยมันสะดวกสะดวกเป็นอันนี้สมเกิดขึ้น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 รู้สฉกตัวมันมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นรูสฉกตัวว่าได้มีกิเลสจิตตัณหาไว้ทาให้เราเปืเป่อเพลินบริสุทธ์ทั้งกายทั้งใจมันก็เห็นได้อยู่สมบัติได้อยู่เช่ไหนเพียงไรเป็นปัจจิตังของผู้ปฏิบัติไม่น่าจะโทษถอยโทษแท้เป็นหน้าที่จะกระตือรือร้นเมื่อก่อน มาได้สัมผัสกับชีวิตจริงๆด้วยกายด้วยใจจริงๆมันบริสุทธิ์หมดจดอย่างลอยมีผลอย่างลายไม่ได้รือไม่ได้ด้านได้ศึกษาได้สัมผัสของผู้ที่เห็น ผ, ผู้ปฏิบัติเองนี่คือของเท้ของจริง าให้ได้สมผัสในคราวเดียวกันไม่อยู่คนละทิศละทางจึงเป็นเรื่องที่เป็นกบเป็นก่ำขึ้นมาจริงๆไม่ได้เฉียงเหมือนกับทำนาทำไรต้องเสียงต่อเฉียงเวลอบเินผ้าอากาศไปกันลาคา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 บ่อยๆถ้าได้มีสิ่งที่มันมีบ่อยๆที่มันถูกต้องบ่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเราเป็นนักเรียนเรียนหนุบอนเรียนปฐมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาลู่อะไรควมหมยอะไรทำอะไรเป็นแันประสบการณ์นี้บทเรียนมามันก็ทำเป็นไม่เป็นปืนความที่จะเป็น ควาคิดที่ปัญหาคำตอบโกงควมคิดมันทำเป็นแล้วม่ต้องได้คิดยิ่งที่เป็นทำไปที่ไหนเป็นมากเป็นผนไเมื่อต้องได้คิดมันบอกควมถูกมักความผิดมันบบกเนี่อยู่นกฎจต้งของผู้ปฏิบัติ ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทมทำทำไม่ไหนจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยเกิดขึ้นและไม่มีใครมาบอก่าสอนช่วยตัวเองดูแลตัวเองอย่างซง่งงามในขันปฏิบัติธรรมน่นั่งอยู่คนเดียวก็งามจะนอนจะเดินจะยืนที่ไหนก็งามงามด้วยความไม่เปืเป้อน ว่าใช่งามได้ใบหน้าแต่เนื้อแต่งตัวเป็นเรื่องที่เราก็ตื้อรุอน่นนะเหมือนพระพุทเจ้าเนี่ยเมื่อเห็นเรื่องนี้สัมผัสเรื่องนี้ก็ตื้รอรุ่นปล่อยทางไหนประกาศไปอโลอย่าปรมาลาพาความไม่เปโลกเป็นลาบแบบไปเสะือก ทางสีแ้งข้างแดงชวนให้เหมือนกับพวกเราทุกคนนี่ล้ำปาของพวกเราโอ้ยแค่ที่เลือยพระเจ้าล้ำปาอีมีแนวร่วมนี่พวกเราเนี่ยเจออย้ายังไงมันจะดวกไปที่ไหนพุ่มบ่าไปคนกันยกมือไหว้หาที่ของดีๆใช่ คนเข้าวยกมือใส้หม้อวันนี้แล้วจะเป็นคนประมาทก็เต็มทีแล้ววเจ้ารนี่ไปเป็นตำบวจตั้งถูกเขาด่าวัานไหนมีแต่มาขอข้าวขอเช่นไม่ท้อมาหาเิ่นไยไม่ให้ไปไปวันนั้นก็มีนะทั้งไหนเขาก็ด่าอะไรว่ า, าบ้า นุ่งผ้าอาจจะเป็นผ้าเร็วที่สุดคนเราบ่งสุกุลพ้อขัดาอผ้าที่หาตามสมมาซักมาปะมาย่อ ม, มาเย็บเราชิดดูแล้วเนเราน่จะเร็วกี่ขนาดไหนนี่ไม่ได้ทำแบบนั้น จะดูกสนมสนุนโหลทุรูปลกเบยทกเจ้าบุกเบิกมาให้วัดตาวาอารามที่เราอยู่มีมาแล้ว 2,600 ปีอาหารพิเี บ, บาทมีมาแล้ว 2,600 ปียังไม่ล่าสมัยยังนำอยู่เพราะมีอานนี้สง ม, มีประโยชน์เกิดแนวร่วมกันทั่วโลก ไปทางไหนเมื่อลำบากไแต่รถต่เรือเขาก็ชื่อมาให้ของใช้ของสอยชื่อมาใหา้สองสอมวันก็อาเป็นไปหมดไปลดบัสัวใหญ่สองคนสามคนคนมาปฏิบัติมาถามเรื่องการปฏิบัติว่าได้ตะโกนเรียกเหนื้นพิเจ้าสมัยก่อน เราจะอยู่อย่างไง่อยเท่าไรไม่เห็นคุณค่าที่เป็นความถูกต้องเกิดอยู่ในเราไม่ศึกษาเลยจะไม่มีน้อมใจที่จะต้องดูเลยกันเลยมีคนอีกเท่าไหร่มีเท่าไหร่เท่าไหร่ง้วเราก่อนอย่าตาตาขี้ อ, อ ย, ายาญาติโลดตัทาจะประโยชน์ต่อโลก ในชีวิตแบบนี้ลองดูมันจะโอ้สอ่างามมีค่าพุทธะเกียา์ประโยชน์ใหญ่พระพุทธศาสนาทำให้ดูชุ๋ยเห็นพูดในเปล่านี่คือชีวิตของเราแล้วก็เรก็อุนออ่นอกอุ่นใจเพื่อนมีมิตรที่จะไม่ปล่อยกันทิ้ง ไม้เกี่ยวเดียวดายเรีนขึ้นมาก็มาร่วมกันทำวัดจนวันมีแต่ขงดีๆมีผู้พูดีผู้บอกผู้สอนมีแต่เรื่องดีๆแต่เรื่องที่มันดีก็อยู่ในเราเนี่ยเรื่องไม่ดีก็อยู่ในเราเนี่ยสามารถแช่ได้ทุกอย่างเวลาลัปฏิวัติมันจะไป่นเรล้นเพื่องเราเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจ แล้วมีสติอยู่ดีๆเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยมันเคยมันเคยมารู้ทันทีนี่เหมือนกับเหมือนโยงนั่งอยู่ดีอยู่มังกรเหมือนเจ็บก็รู้ทันทีไล่โยงนี่เมันถูกต้องที่สุดแล้วอยู่ดีๆมันคิดขึ้นมามีสติหลายความคิดออกไปถูกต้องแล้ว เราจะไม่ให้มันไปมั น, มนก็ไม่ถูกต้องไม่มีใครที่จะประมาทในตรนนี้ถ้ามีสตินะตนสอนตนดูแลตนเตือนตนแจ้งใหรทนทุกรูปทุกแบบมันร่างกายต้องดูแลร่างกายเองแต่ว่าดูแลแบบภายนอกเป็นโยงกัดเป็น ความหิวเป็นความเจ็บความปวดก็บอกถ้าได้ป่วยก็บอกว่าให้ไปทำอะไรให้พระพอดนี่แลเรบปฏิบัติยิ่งได้เห็นสิ่งที่บุดีๆว่านี้ม า, านมาเราจึงว่าโอกาสดีเท่านั้น มาเป็นนักปวดกันเนี่ชีวิตเรายังมีอยู่แท้ๆนยยังทำอะไรได้อยู่เนี่เราไม่มีโทษอะไรได้มีแต่ประโยชน์เราอยู่ที่นี่อีกหลายชีวิตทกําลังเกิดความดีเพ้่ยเราอยู่ในปาน่าในตรงในปฏิบัติธรรมยังคิดถึงพวกเราอยู่ อยู่ร้อยคนก็ลงมีพวามสุขกเราดูคิดถึงที่พวกเราว่ากันปฏิบัติที่ใดเราก็คิดถึงเป็นที่พึ่งอาศัยแน่นอนอยู่ในบ้านเราสมัยเป็นคราบาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่ามีที่พึ่งคิดว่ามีที่พึ่งได้ ใ, ใส่บาท ก, ก็ดีใจได้ไปรับศีลก็ดีใจได้ไปไหว้พระ ทั้งสัมาก็ดีใจแค่นั้นก็มีความฉกได้เพื่องคุณกับการใช้ชีวิตเคยอกสั่นควงห้อยเคยอะไรที่เกิดขึ้นหลายคิดถึงพระที่อยู่ในวัดเราอยู่ในบ้านมันก็มีประโยชน์มีเพิ่มกับทุกในทั้งจิตวิญญาณของคนเด็กไม่น้อยเราอยู่ที่นี่ในใจเราก็ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ดูแล <c oughs> <c oughs> ิ่งเรีมนรู้ส่วยเหทำให้มดีขึ้นมาอ๋อเกิสมบัติของส่วนรวมของโลกแต่ยิ่งจานะแต่ไม่ใช่ส่วนตัวนะอออยากจะเชียย์ส่วนตัวนี้ไปได้ ตางปฏิบัติธรรมทำไม่ควเจทง่ายง่ายไม่ต้องรีบตรงเรื่องไม่ต้องคร่งเครียดทำทำปฏิบัติธรรมทำในไม่ใช่ความเค่งเครียดกรบเร่งรีบทำพาไ ป, ำำไปเองทำนไปเองแต่เราปฏิบัติธรรมาทำไมไหนวิไห น, ไหนจะนาไปวิ ชีวิตในยะนำไปสู่ความถูกความถูกทุกๆเรืงไปโอยเหมือ น, นกับผ่านไปผ่านไปใครจะางค่าเสึกอไปเรื่อยๆจนไม่มีใยในชีวิตของเราอาจจะไม่ชช่เราเดินตามทำไม่ไหนนะทั้งหวงจ่าทั้งจา่าสมควรเวลาเนาะ